ห5 8มหากัจจานะปัญจวรปริทัศนาว่าด้วยอานัตติกะพ์ของท่านพระมหากัจจานะห้าประการสมัยนั้นท่านพระโสนะออกพรรษาแล้วหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่า เราเพียงแต่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะเช่นนี้และเช่นนี้แต่เราไม่เคยเฝ้าเฉพาะพระพักเลยเราจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถ้าพระอุปชาอนุญาตครั้นเวลาเย็นท่านพระโสนะออกจากที่หลีกเรน เข้าไปหาท่านพระมหากัจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณนะที่สมควรท่านพระโสณาเนะีกล่าวกับท่านพระมหากรจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าเราเพียงแต่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น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 และสมถะสูงสุดทรงฝึกฝนแล้วคุ้มครองแล้วทรงสำรวมอินทรีย์ทรงเป็นผู้ประเสริฐท่านโสนะท่านจงถวายอภิวาส ด, ด้วยเสียงกล้าวแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค ต, ตามคําของเราว่าพระพุทธเจ้าข้าท่านพระหมหากัจจาณนะผู้เป็นพระอุปชาของข้าพระองค์ ขอถวายอภิวาทแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวดังนี้และจงกราบทูลอย่างนี้ว่า 1. พระพุทธเจ้าข้าอาวันตีทักกินาบทมีภิกษุน้อยข้าพระองค์จัดหาภิกษุสง์จากที่นั้นๆให้ครบองค์ประชุมคือสิบรูปได้ยากลำบากเวลาล่วงไปถึงสามปี จึงได้อุปสมบทถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะสงฆ์น้อยรูปกว่านี้ได้เฉพาะในอวันตีทักกีนาบท 2. พระพุทธเจ้าข้าพื้นดินในอวันตีทักกีนาบทมีสีดำมากแข็งมีรอยระแหงกีบโคถ้ากระไร พระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นเฉพาะในอวันตีทักิีนาบท 3. พระพุทธเจ้าข้าพวกมนุษย์ในอวันตีทักกีนาบทนิยมการอาบน้ำถือว่าน้ำจะทำให้สะอาดถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดเฉพาะในอวันตีทักกีนาบท พระพุทธเจ้าข้าในอวันตีทักกนาบทมีหนังที่เป็นเครื่องลาชคือหนังแกะหนังแพะหนังมรุกะเหมือนกับที่มัชชิมชนบทมีหญ้าตีนกาหญ้าหางนกยูงหญ้าหนวดแมวหญ้าหางช้างถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตหนังที่เป็นเครื่องลาชคือหนังแกะหนังแพะ และหนังมารุคะเฉพาะในอวันตีทักคีนาบท 5. พระพุทธเจ้าข้าเวลานี้พวกมนุษย์ถวายจีวรฝากภิกษุทั้งหลายผู้อยู่นอกสีมาด้วยกล่าวว่าพวกมนุษย์ชื่อนี้ถวายจีวรแก่ท่านภิกษุที่จะได้รับจีวรเหล่านั้นยำเกรงอยู่จึงไม่ยินดี